วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม มาเรียนรู้คำสั่งคำสอนต่างๆของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตาสั ม, มาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาที่คุณที่ได้ตัดสรุู้ ทรมันประเสริฐที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆในใจของสรรโลกให้หมดสิ้นไปธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนั้นในวันนี้เราจะมาฟังเรื่องประโยชน์ของการมาเกิดว่ามีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการมาเกิดนี้ก็มีอยู่ประโยชน์เดียวเท่านั้นคือการมาหยุดการเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์พอเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของที่เรารักที่เราชอบและต้องเจอกับของที่เราไม่รักไม่ชอบ ถ้าไม่มเกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพรากจากกันไม่มีการเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนากันจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องยุติการเกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่เกิด ทุกย่อมไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดดังนั้นประโยชน์ที่จะได้จากการมาเกิดนี้จึงมีประโยชน์อันเดียวเท่านั้นคือการยุติการเกิดให้ได้ถ้าไปหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือจากโลกกรรมทั้งสี่ ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆก็จะทำให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเพราะพโลกกรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นเหมือนยาเสพติดพอเมื่อเสพแล้วก็จะติด เป็นสิ่งที่ไม่ให้อิม่มไม่ให้ความอิม่มไม่ให้ความพอแก่ผู้เสพแต่กลับจะทำให้เกิดความอยากเสพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้ผู้เสพจะต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆเพราะการจะเสพโลกโลกกรรมทั้งสี่ได้เสพราบยศรรเสญเสเพีิังกลิ่นรสโภทภะ ได้ก็จําเป็นจะต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายก็ต้องเจอกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปนั่นเองถ้าไม่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่รู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาเกิดนี้เพีพยงประโยชน์เดียวเท่านั้น ก็คือการมายุติการเกิดอยากกลับมาเกิดอีกแต่การที่เราจะสามารถยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายได้เราต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกเรา ถึงประโยชน์อันนี้และจะสอนวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้ยุติการเกิดถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ก็จะต้องอาศัยบามีเก่าคือต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้เจริญบามีทั้งสิบมาอย่าง มากมายจึงจะสามารถที่จะยุติการเกิดของตนเองได้เช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู hmm. ้ที่ได้สร้างบาเพ็ญบารมีต่างๆมาในอดีตชาติได้สร้างบารมีทั้งสิบประการคือเมตตาบารมีทานบารมี ศีลบารมีเณคมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบาลมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีแะขันติบารมีต้องเป็นบุคคลระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็น พบชาติที่พร้อมที่จะใช้บารมีเหล่านี้มาสอนใจให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากนั้นแล้วก็จะไม่มีใครจะสามารถมายุติการเกิดของตนเองได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนมาตั้งพระพุทธศาสนาคือมาตั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ จะได้เรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจนั้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในชาตินี้ยังถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นชาติที่วิเศษเป็นโชคคลาบอันยิ่งใหญ่ เหมือนกับได้ถูกลัทธิรางวัลที่หนึ่งคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ครับได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้า ดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนจะจากโลกนี้ไปว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราสะจาศาสดาเพราะว่าธรรมวินัยที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วนี้แหละจะเป็นสาสดาของพวกเธอต่อไปเราก็สามารถยึดพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป็นพระพุทธเจ้าได้ได้ศึกษาพระธรรมจากพระตายปิฎกก็เท่ากับได้ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงและนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วเราก็ยังมีพระอริยสองสาวกผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมรู้วิธีกมจัดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็สามารถที่จะพึ่งพระอริยสงสาวกได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันที่จะรู้วิธีของการหยุดความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากว่าเราได้มาเราได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบมาอย่างพร้อมบริบูรณ์พร้อมที่จะใช้บารมีทั้งสิบนี้มายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ เช่นบามีสิบของพระเจ้าที่ทําให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์พอเห็นว่าต่อไปร่างกายของท่านก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ รู้ทุจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นอันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราพวกเราไม่ได้คิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดกันเลยเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรมาทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมา ไม่ได้เคยคิดเลยว่าต่อไปเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นนักบวชก็ไม่เลยก็เราไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นนักบวชนี้เป็นเพื่ออะไรอนี่คือระดับปัญญาของพวกเราถ้าเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บความตายเห็นคนเห็นนักบวชเราไม่รู้สึกจะมีความ รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้คิดว่าชีวิตของเรานี้มันเป็นทุกข์ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยถ้าตราบใดเรายังหาความสุขจากโลกธรรมต่างๆถ้าเรายังหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัฏฐานอยู่ เราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆพอความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสนี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแก่จิตใจแต่กลับจะเพิ่มความอยากเพิ่มความหิวให้มีมากขึ้นความอยากพระความหิวในลาบยศสารเสริญ ส, สุขนี้แหละเป็นตัวที่ถางดานให้จิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี้เองสำหรับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวช<ม>ก็เกิดประกายแห่งปัญญาขึ้นมา เห็นเห็นว่าเห็นภัยในการมาเกิดว่าเกิดแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยคิดอยากจะไปเป็นนักบวชเพราะเห็นว่านักบวชเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะสามารถยุติการเกิดได้จึงสามารถที่จะสละ ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองของเจ้าชายสิทธัตถะของราชกุมารไปได้อย่างไม่ยึดติดเลยเพราะอาศัยทานบา ร, รมีที่ได้บําเพ็ญมาในอดีตทําให้การเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนี้เป็นเรื่องง่ายดายมากก่อนที่มีทานบา ร, รมีนี้จะไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง กับยินดีที่จะบริจากเพราะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการบริจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะนำความสุขให้แก่จิตใจมากวากว่าการเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้พ <Yeah. S 1> อถึงเวลาที่จะออกบวชก็เลยสามารถสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายไม่มีความหวงไม่มีความหุยติดกับทรัพย์สมบัติเลย ถ้าไม่ได้สร้างทานบรารมีมาพอถึงเวลาจะไปบวชนี้ก็จะไปไม่ได้หรือไปก็ไปได้เพียงชั่วคราวเช่เนไปบวชสักหนึ่งพรรษาหรือบางคนก็ไม่ถึงหนึ่งพรรษาเดี๋ยวนี้บวชแค่พรรษาเดียวเพราะยังติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังติดกับการใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>คนที่ไม่สามารถออกบวนเพื่อปฏิบัติธรรมได้นี้แสดงว่าบรารมีที่เคยสะสมมานี้ยังมีไม่มากพอ<ม>ถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตา ม, มแต่ก็ยังไม่มีกำลัง กำลังที่จะไปอยู่แบบนักบวชกำลังที่จะขึ้นสนามรบต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่คอยฉุดร่างจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้มาศึกษาธรรมบ่อยๆขึ้นได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆขึ้น ก็จะเกิดประกายแห่งปัญญาขึ้นมาอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดโดยที่ไม่มีใครต้องสอนพระองค์เองเพราะพ ร, ะ, พระองค์มีปัญญาที่ได้สะสมมาหลายภพหลายชาติด้วยกันเป็นคู่สอนผู้บอกว่า<อ>นั่งกายของตัวเองนี้ต่อไปก็จะต้องแก่ต่อไปก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปก็จะต้องตายไป สำหรับพวกเราถ้ายังไม่มีประกายแห่งปัญญาเราก็สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้โดยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอให้เราเลิกว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราจะต้องตายไปเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเรื่องพ้นการพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปไม่ได้นี่คือปัญญา ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในภพนี้ชาตินี้ถึงแม้ว่าในอดีตชาติเราอาจจะไม่ได้บําเพ็ญทางด้านปัญญามามากพอที่จะจุดประการให้เราคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็โชคดีที่เราได้มาได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระ อ, อริยสงสาวกทุกๆเท่าเวลาที่เราไปกลา่าวไปเรียน คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีไปรเรียนคำสอนจากพระอริยสงสาวก็ดีเราจะต้องได้ยินคำสอนนั้นนี้อย่างแน่นอนทุกคนทุกค่ว่าเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ พอเราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นอ น, นาคตของตัวเองว่าอาสิ่งที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าก็คือความทุกข์ทั้งนั้นเองทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากความตายทุกจากการพัดพากจากกันมันก็จะทำให้เราเกิดความยินดี ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้นําเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้ น, นี่คือเรื่องของการมาเกิดอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มาได้ยินได้ฟังว่าประโยชน์ของการเกิดนี้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือการมายุติการเกิดมาหยุดการเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์เกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพ่างจากกาันซึ่งไม่มีใครอยากจะเจอแต่ก็จะหนีไม่พ้นถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องยุติการการมาเกิดด้วยการปฏิบัติ ตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้จะสอนให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสำลสักจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพธธภะชนิดต่างๆสอนให้เราให้ไปหาทรัพสมบัติ เพื่อจะได้เอาทรัพย์สมบัติมาใช้หาความสุขต่างๆสอนให้เราไปเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อเราจะได้ใช้อํานาจมาหาความสุขให้กับเราสอนให้เราเป็น ม, มีความเก่งความสามารถในการกระทําต่างๆเช่นเป็นนักแสดงเป็นนักกีฬาเพื่อเราจะได้ไปแข่งขันให้เราได้เหรียญทองกัน ว่า ไ, ได้เหรียนทองก็จะได้ชื่อเสียงได้รางวีรางวัลก็จะสามารถเอารางวัลต่างๆนี้มาซื้อสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้ซื้อความสุขจากรูปเสียงต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ <c oughs> นี่คือคำสอนของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ถ้าเราคิดหาเงินหาทองเพื่ออยู่อย่างร่ำรวยอยู่หรือคิดจะหายศหาตำแหน่งเพื่อที่จะได้เป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้เก่งกาจในในการกระทาด้านใดด้านหนึ่งเป็นนักสแสดงที่เก่งกาจได้รางวัลตุ๊กตาทองเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้เหรียญทองโอลิมปิก สิ่งเหล่านี้รู้วนเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้จิตใจจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอแต่กลับจะให้ความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปก็จะทำให้ใจต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจ อยากไปฟังคำสอนของกิเลสตันหาให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยการกระทำสามขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่หนึ่งให้เราปิดประตูอาบายกันอ ย, อย่าไปอย่าไปอบายเพราะอาบายไม่ใช่เป็นที่หลุดพ้นจากความทุกข์ อย่าไปทางนั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ไปอบายเราก็ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงคือละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดการดื่มของมึนเมาต่างๆและรวมไปถึงอบอายามุกอื่นๆ เ, เช่นการเล่นการพนัน การเที่ยวกลางคืนการมีความเกลียดค้านการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะถ้าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าคบกับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเขาก็จะชวนให้เราไปดื่มสุรายาเมาถ้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืน เขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าคบกับคนที่มีความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เรามีความเกลียดค้านด้วยซึ่งการเสพอบายามุขเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดไปได้เมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบด้วยการทำบาปด้วยการไปรักทรัพย์ของผู้อื่น ด้วยการไปหลอกลวงโกหกหลอกลวงหรือบางครั้งก็ไปถึงกับขั้นไปรับจ้างเป็นมือเปินฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้ต่อไปถ้าไม่เสพบาบายามุกมันทางที่มีอยู่นี้จะไม่หายไปได้อย่างงไไ่ายดายเพราะว่าจะไม่มีอะไรที่จะมาดูดมันไปนั่นเอง ถ้าไม่ไปเดินโซราม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนเงินทองก็จะไม่หมดไปได้อย่างง่ายดายเมื่อเงินทองไม่หมดไปอย่างง่ายดายก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปทำบาปแต่อย่างใด <c oughs> อันนี้คือขั้นตอนแรกการที่จะทำให้จิตไม่ต้องกลับมาเป็นว่ายตายเกิดจิตต้องยกระดับไปพัฒนาระดับจิตใจของตน ให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระนิพพานขั้นของพระอริยบุคคลจ <c oughs> ึงจะสามารถที่จะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ต้องไม่ไปอบายอย่า ง, างเด็ดขาดเพราะถ้าไปอบายแล้วก็จะติดอยู่ในอบายก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย พอพ้นออกมาพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปทำบาปใหม่เพราะมันจะติดเป็นนิสัย <c oughs> ถ้าไม่มีใครมาสอนมาห้ามไม่ให้ทาบาปก็จะทำบาปจะเสพอบายมุกต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบาปในอบาย <c oughs> ต้องไปเกิดเป็นเบลฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้างไปตกน ร, รกบ้างอันนี้ไม่มีใครยับยั้งได้ถ้าได้กระทำบาปแล้วบาปนี้จะต้องเป็นผู้ส่งผลให้กับผู้นั้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องรอเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบาปผลของบาปส่วนใหญ่จะส่งผลตอนที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็มีผลอยู่แต่ไม่มากไม่เหมือนกับตอนที่ร่างกายตายไปตอนนั้นบาปท้ามีเท่าไหร่มันก็จะส่งผลให้อย่างเต็มที่เลยในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาทำบาปก็จะทำให้ใจมีความทุกข์มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่เวลาตายไปนี่จะต้องไปไปทุกข์กับการเป็นเดรัจฉานทุกข์กับการเป็นเปรด ทุกข์กับการเป็นสุรรกายทุกข์กับการไปตกนรกนี้มันจะทุกตลอดเวลามันกลา่าวกำลังของบาป ท, ที่ทำไว้มันหมดกําลังถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> แล้วก็จะมาเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติอย่างนี้ไปเรื่อยๆพราะมันจะติดมันจะเป็นนิสัยเคยเคยชอบทําบาปมันก็จะกลับมาทําบาปต่อ เคยชอบเคยชอบเสพสุรายามาลชอบเสพอบายามุกมันก็จะกลับมาเสพต่อแล้วตายไปก็ไปรับผลบาปต่อไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไปเรื่อยๆซึ่งยังไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นไปให้ได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทําให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้เลยถ้าเปรียบเป็นเหมือนในบัวสีเรา ก็เป็นเหมือนบัวที่อยู่ในตมในโครนนี้บัวที่จะกลายเป็นอาหารของปูปลาไปไม่มีวันที่จะองอกเวยขึ้นมาโผลขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อสัมผัสกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เพื่อทำให้บัวนั้นบางออกขึ้นมาได้เลยพราฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิด เราต้องปิดประตูบายกันก่อนด้วยการการักษาศีลและไม่เสกอบา ย, ยามุข<ม>พอเราทำได้แล้วเราก็จะปิดประตูบายได้<ม>เราก็เวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่ยังไม่ไปสูงกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะให้เราขึ้นสูงกว่าการเป็นมนุษย์ เพื่อไปสู่พระนิพพานตามลำดับเราก็ต้องมายกระดับใจของเราจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพก่อนสวรรค์มีหลายชั้นมีสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็มีสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็สวรรค์ของพระอริยบุคคลสวรรค์ของพระนิพพานที่มีความสุขมากน้อยต่างกันไปตามลำดับ ความสุขชั้นเทพก็จะมีมากกว่าความสุขของมนุษย์ของภพของมนุษย์ความสุขของพมก็จะมีมากกว่าความสุขของเทพความสุขของพระอริยะก็จะมีมากกว่าความสุขของผรมแล้วก็ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดมีความสุขที่เต็มร้อยเปอร์เซนตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเช่นสุด ส่วนความสุขในระดับเทพระดับพรมนี้ยังมีการเสื่อมได้อยู่แต่ถ้าเข้าสู่ระดับของพระอริยะแล้วจะไม่เสื่อมจะมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขขั้นแรกก็ของพระโสดาบันจากนั้นก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สองพระสกิรดาคาความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามพระนาคาความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก จนถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์ก็ <pe at> จะได้ความสุขเต็มร้อยของพระนิพพานต่อไป <c oughs> ดังนั้นการที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ <c oughs> เราจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมข้อแรกนี้ให้เราปิดประตูอบายก่อนด้วยการละการกระทําบาปและอบายมุกรักษาสี่ห้าให้ดี เราเว้นการเสพว า, ายามุกแล้วเราก็จะรักษาจิตของเราให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นจากระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพเราก็ต้องทำบุญทำความดีต่างๆการทำวุญหรือทำความดีทำอย่างไรคือการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้ทำให้ผู้มีความสุข แล้วทำให้ผู้กระทำเองก็มีความสุขด้วยเรียกว่าเป็นการทำบุญเช่นเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครใครที่เขาทุกขยากเดือดร้อนเวลาเราช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาเราเห็นเขาได้ความสุขจากการกระทำของเราเราก็ได้ความสุขตามมาด้วยความสุขที่เราได้จากการทำความดีเนี่ยที่เราเรียกว่าบุญบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจ ที่เกิดจากการทำความดีเช่นการทำบุญทำทานเป็นต้นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้รับใช้สังคมรับใช้คนนั้นคนนี้เพื่อให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเพื่อให้เขามีความสุขาการให้ความสุขกับผู้อื่นมันจะทำให้เราได้ความสุขนั้นลับคืนมาในใจของเรา <c oughs> ความสุขนี่แหละที่จะทำให้ใจเราไปสวรรค์ เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้ถ้าเราเพียงแต่รักษาศีลไม่เสพว า, ายามุกแต่ไม่ทําบุญทําทานไม่ทําความดีเลยแต่ไม่ทําชั่วไม่ทําบาปเราก็จะได้เป็นแค่มนุษย์เท่านั้นเองตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแล้วก็มาอยู่แบบมนุษย์แบบที่ ไม่มีความสุขเหมือนกับเป็นพวกที่เป็นเทวดาพวกที่เป็นเทวดากลับมานี้จะมีความสุขมีบุญติดกลับมาด้วยเป็นคนที่มีความสุขมีความร่าเริงแต่คนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานก็จะไม่มีความทุกข์แต่ความสุขจะไม่ค่อยมีความสุขจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องทำความดีกัน ทำบุญต่างๆทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจเป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันซึ่งมีความสุขมากน้อยต่างกันไป ชั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าชั้นที่สองชั้นที่สองก็น้อยกว่าชั้นที่สามไปถึงชั้นที่หกนี้จะเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดสำหรับสวรรค์ชั้นเทพที่เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการได้ทำคุณทาประโยชน์ทำความดีต่างๆแต่ยังเป็นเป็น เป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เพราะบุญที่ทำนี้มันก็เสื่อมได้เหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติมเวลาเราเติมน้ำมันรถเราก็สามารถขับรถไปไหนมาไหนได้แต่พอขับไปได้สักระยะหนึ่งน้ำมันอยู่ในรถก็หมดได้เวลาน้ำมันจะใกล้หมดเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อจะได้เติมน้ำมันต่อเช่นเดียวกับ บุญที่เราได้จากการทำความดีต่างๆที่ทำให้ใจเราเป็นสวรรค์นี้มันก็จะหมดได้พอหมดเราก็ต้องกลับมาเติมบุญใหม่ที่เราจะเติมบุญได้ก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นที่เราจะมาเติมบุญก็ได้เติมบาปก็ได้ <c oughs> แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนถ้ามีนิสัยชอบทำบาปเวลา ออกมาจากกบายก็จะมาทําบาปต่อถ้ามีนิสัยชอบทําบุญเวลากลับลงมาจากสวรรค์<ม>ก็จะกลับมาทําบุญต่อมาเติมบุญต่อแล้วพอตายไปก็กลับไปขึ้นไปสวรรค์ใหม่มคนที่ชอบทําบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติระหว่างภพของมนุษย์และระหว่างภพของเทวดา น, นี้คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติข้อที่สองที่พรเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการยุติการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นที่จะต้องทำข้อแรกก็คือให้ระงับการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูบาย ข้อที่สองก็คือให้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากกว่าความสุขของมนุษย์ด้วยการไปเป็นเทวดาด้วยการทําบุญทําทานด้วยการทําความดีต่างๆเวลาเราทําบุญทําทานเราทําความดีนี้เราอย่าไปมองประโยชน์จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการทําบุญทําทาน โดยจากการทำความดีต่างๆคนไม่รู้เรื่องคนที่ไม่เคยศึกษาพราะธรรมคำสอนจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าทำความดีแล้วทำบุญทำกุศลแล้วจะเจริญในราบยศสรรเสริญจะรวยขึ้นจะมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นจะมีเกียรติรางวัลเกียรติยศเพิ่มมากขึ้นจะมีกำลังที่จะเสพรูปอเสียงจิตได้มากขึ้น อันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีต่างๆถ้าเราไปมองผลที่ตรงนั้นเราจะผิดหวังและเราจะทอ้อท้อแท้เบื่อนายกับการทำความดีอย่างที่มีคนพูดอยู่เรื่อยๆว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ดีมีถมไปเพราะว่าการได้ดบได้ดีทางลาภยศสรเสริญสงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำาดีหรือทำชั่ว มันเกี่ยวกับวิธีการกระทำถ้าสร้างเหตุให้มันเจริญมันก็เจริญถ้าไม่มีเหตุให้มันเจริญมันก็ไม่เจริญ <m ule mon> ซึ่งเหตุนี้อาจจะเป็นการกระทำความชั่วก็ได้ <m ule mon> คนลงคนได้ดีได้ดีเพราะการทำความชั่วก็มีเยอะแยะไปแล้ว <m ule mon> คนที่ทำความดีแล้วไม่ได้ดิบได้ดีก็มีเยอะแยะไปเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัน การทำความดีการทำความเชื่อนี้มันเกี่ยวกับสภาพจิตใจที่จะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงที่จะมีความสุขมากขึ้นหรือจะมีความทุกข์มากขึ้นอันนี้ต่างหากเป็นผลของการทำบุญหรือการทำบาทเราไม่ได้ ม, มองที่โลกธรรมราบยศสารเสรนสุขราบยศสารเสรนสุขนี้มักจะเกิดจากการมีความขยนันมีความอดทนในการทำมาหากิน รู้จักการรู้จักเก็บเงินเก็บทองรู้จักประหยัดใช้เงินใช้ทองอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้แต่มันเป็นคนละเรื่องกับการทำบุญหรือการทำบาปเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีอย่าไปมองผลคือลาบยศสรรเสริญุกว่าจะเกิดขึ้นเมื่ออย่างไรหรือไม่อย่าไปคิดเลยมันคนละเรื่องกันเรามองที่ใจของเราว่ามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่า เวลาเราทําบุญแล้วใจของเรามีความเย็นมีความสบายมีความอิ่มเอิเนี่อันนี้แหละเป็นเป็นผลที่เกิดจากการทาความดีทั้งหลายที่พระเจ้าส่งสอนให้เรากระทำกันเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจของเราจากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเลยเนี่ยเราสามารถเป็นเทวดาได้ในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่ด้วยการทาบุญอยู่เรื่อย แล้บุญที่เราทํานี้จะเปลี่ยนใจของเราจากการเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นใจของเทวดาขึ้นมาร<ม>่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นเทวดา<ม>ในทางตรงกันข้ามมีร่างกายเป็นมนุษย์แตถ่ถ้าทําบาปอยู่เรื่อยๆ<ม>ใจก็จะกลายเป็น<ม>เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกกายบ้างหรือเป็นนรกบ้าง<ม>อันนี้แหละคือ กฎแห่งกรรมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้กระทําแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของการกระทําของตนคือทําบุญก็ได้ความสุขใจทําทุกทําบาปก็ได้ความทุกข์ใจได้อบายเป็นที่ไปเกิดใหม่ทําบุญก็ได้สวรรค์ไปเป็นที่ไปเกิดใหม่อันนี้ คือขคำสั่งคำสั่งคำสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ากี่องค์มาตัดสรุรรมก็จะสอนเหมือนกันหมดสอนอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปขั้นที่สองให้ทําบุญต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ขั้นที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธ ค, ความหลงตาละ ความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะไปถึงพระนิพพานได้ก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหลีกต่อไปอันนี้เราได้พูดถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วข้อที่หนึ่งก็ให้ปิดประตูอาบายพอปิดประตูอาบายได้แล้วทีนี้เราก็มาเปิดประตูสวรรค์ด้วยการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆ เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำความสุขน้อยเวลาเราทำบุญน้อยเราจะมีความสุขน้อยกว่าเวลาที่เราทำบุญมากสังเกตดู<ม>ความสุขในใจที่เกิดจากทำความดีนี่มีแบ่งไว้เป็นหกระดับด้วยกันก็อยู่ที่ว่าเราทำทามากทำน้อย<ม><ม>พอเราได้ทำบุญ ไดาทำให้ใจเราขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วเราก็จะพร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปการที่เราจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้เบื้องต้นเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะเราจะต้องปิดประตูของการไปเสพการอารมณ์นั่นเองถ้าเราอยากจะไปไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้เราต้องเลิกเสพ เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลเะพระเพราะว่าความสุขที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพนี้ต้องรงงับการเสพกลามถ้าเสพกลามนี้มันเป็นความสุขของเทพของมนุษย์ที่เป็นส่วนยาบอยากกว่าความสุขของพรหมของพระอริยบุคคลถ้าอยากจะเสพความสุขที่ละเอียดกว่าที่มีความสุขมากกว่า ก็ต้องละ ก, การเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องเพิ่มศินห้าเป็นศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนศีนข้อสามจากการเมคือการประพฤติไม่ประพฤติผิดประเพณีหมายถึงไม่ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่คร อ, องของตนแต่ถ้าร่วมหลับนอนกับเป็นบุคคลที่เป็นคู่คร อ, องของตนนี้สามารถทําได้ศินห้าไม่ได้ห้าม แต่ถ้ามาถือสินแปดต้อง ง, งับต้องไม่หาความสุขจากการเสพการไ ม, ไม่หาความสุขจากการนวมหลับนอนกับคู่ครองของตนต้องอยู่แบบพรหมจรรย์อยู่แบบนักบวชนี่คือสินข้อที่สามในสินแปดแล้วก็เพิ่มสินข้อหกไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้ดื่มให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอ ก็สามารถทำได้วันละหนึ่งวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอแต่อย่าไม่ให้ทำหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้ไปให้กับการสร้างความสุขของระดับผมคือการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเอง <c oughs> แล้วก็แล้วก็สิ่งข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขจากมหรศสศพบันเทิงต่างๆ ไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้ร้องรำทำเพลงไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปไปตามงานต่างๆ ง, งาน<ม>งานมงคลต่างๆ ง, งานแต่งงานงานอะไรที่มีการมีการเสพรูปเสียงกีนรดในรูปแบบต่างๆนี้ต้องละเว้นไปแม้แต่า ง, งานศพถ้าจะเข่งๆข่งจริงๆก็ไม่ควรจะไปเพราะงานศพก็ยังต้องไปสัมผัสกับรูปเสียงกีนลด ในงานศบอยู่ซึ่งอาจจะมาเป็นนิวร์เป็นอุปสรรคในการที่จะทำใจให้สงบได้ถ้าต้องการที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมนี้ต้องไปเปรกวปเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงัดไม่มีอะไรมารบกวนใจทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายังไปตามสถานที่ที่มีรูปเสียงกล็ดรถต่างๆอยู่รูปเสียงกล็ดรถเหล่านั้นก็จะ มาลบกวนใจได้มาทาให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ต้องละเว้นจากการเสพรูปเสียงจินรสทางตาหูจมูกนิ้วกายไปให้หมด <_ S 2> ด้วยการไปปีกไว้เวกอยู่คนเดียวไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดอาจจะไปอยู่ตามวัดปฏิบัติก็ได้ ซึ่งเขาจะจัดที่ให้อยู่แยกกันอยู่ไม่ให้คุกคีกันไม่พบปะกันมากจนเกินไปคุกคีกันได้เฉพาะเวลาที่มาทํากิจกรรมร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารเวลาช่วยกันทําความสะอาดสถานที่เวลาที่ฝึกสตินั่งสมาธิปัมมาลามาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็อาจจะให้มาพบกันได้มาร่วมมาริ่มกันได้แต่ไม่ให้พูดคุยกันต่างคนต่างสํารวม กายวาจาใจให้อยู่ในความสงบมาเพื่อฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาเพื่อมาสนทนาถามตอบถามสารทุกขสุขเดีบของกันและกันเพราะเมื่อฟังเรื่องสารทุกขสุขเดีบแล้วก็อาจจะสร้างจิตทาให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ได้แลวเวลากลับไปที่พักเพื่อไปปฏิบัติก็อาจจะทำให้การปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบนี้เป็นไปได้ยาก ก็เลยต้องไม่มีการาพูดคุยกันเวลาที่มาทํากิจกรรมร่วมกันสํารวจกายวาจาใจเช่นเวลาฟังเทศธรรมก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพอเลิกฟังแล้วก็แยกทางกันกลับไปับไปสู่ที่ปฏิบัติของตนต่อไปนี่คือวิธีการที่จะทําให้การสร้างความสุขระดับมร สร้างสวรรค์ระดับทองนี้เป็นขึ้นมาได้เหล่ อ, อีกข้อหนึ่งของศีลแปดก็คือต้องไม่นอนมากเกินไปด้วยนอนร่างกายนี้ตามปกติถ้าได้พักผ่อนหลับนอนสี่ถึงห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่มีความสุขมีฟูกหนาๆเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อ พอพร้ะพฟูกมันมันนุ่มมันสบายก็เลยจะนอนต่อสองสามชั่วโมงไปทําให้เสียเวลาอันมีค่าไปวิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อก็พอหรืออาจจะปูด้วยแผ่นยางหรืออะไรบางๆเพื่อกันการความเย็นหรืออะไรเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายอย่างนี้ก็พอทาได้อยู่ แต่ไม่ได้ทำไม่ได้ให้นอนบนฟูกหน า, หนาที่นุ่มที่สบายเพราะมันจะทําให้ติดกา ร, การนอนจะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปนนี่คือสิ่งที่ต้องทําถ้าอยากจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมก็คือต้องต้องถือศีลแปดกันเพิ่มจากศีลห้ามาเพิ่มอีกสามข้อด้วยกันเพราะการหาความสุขของสวรรค์ชั้นพรมนี้ต้องละ ก, การหาความสุขจากสวรรค์ชั้นเทพ สวรรชั้นเทพยังเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาไปสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสบรูปทิพย์เสียงทิพย์กันอยู่แต่เวลาไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไม่เสบแล้วรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆ่าจะเสบความสุความว่างความสงบของใจเรียกว่าฌานขั้นต่างๆสมาธิขั้นต่างๆ่ว<ม>ิธีที่จะทำให้ใจสงบใจเป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมาก็ต้องคอยเจริญสติตอยู่เรื่อยสติต มีไว้ทำไมมีไว้คอยยุติความคิดคอยควบคุมคอยหยุดความคิดเพราะถ้าใจไม่ไม่หยุดคิดใจก็จะเข้าสมาธิไม่ได้เพราะการเข้าสมาธิก็คือการเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีความคิดนั่นเองที่ว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์ต่างๆการที่จะเข้าไปในสมาธิได้ก็จาเป็นจะต้องมีสติคอยยับยั้งความคิดไวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย การเจริญสตินี้ไม่ใช่แตจะมาทําแต่เฉพาะช่วงเวลาที่มานั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามาทําช่วงเฉพาะเวลานั่งสมาธิมันจะมีกําลังน้อยกําลังจะไม่พอนั่งสมาธิไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบใจไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องหมั่นเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพเพราะตื่นขึ้นมาก็เจริญสติ ใช้กรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาควบคุมใจผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆเรีนใช้พุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเราก็เระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะอยู่กับที่ใจก็จะอยู่กับความว่าง วเวลาไปนั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วและได้นานแต่ถ้าเราไม่เจริญสตทิทั้งวันทั้งคืนไปล้พอตื่นขึ้นมาก็ปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันจะคิดต่อไปเรื่อยๆพอเวลามานั่งสมาธิความคิดที่ไม่ได้ถูกควบคุมมันก็จะคิดต่อไปนั่งไปแล้วใจก็แทนที่จะสงบก็กลับพุ่งสร้างขึ้นมา จนกระทั่งทําให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้คนที่นั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ได้เจริญสติมาก่อนไม่คอยควบคุมความคิดมาก่อนปล่อยให้ใจคิดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลานั่งก็คิดว่าพอนั่งครบแล้วใจจะนิ่งนี่เป็นไปไม่ได้ใจจะนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่การมีสติควบคุมความคิดได้หรือไม่ถ้าไม่มีความไม่มีสติคอยควบคุมความคิดก็จะไม่สามารถหยุดความคิดได้ เมื่อไม่หยุดความคิดความคิดก็จะทำให้ใจไม่สงบเมื่อใจไม่สงบใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ใจก็ไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ดังนั้นถ้าอยากจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมต้องขยันเจริญสติทั้งวนันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับการเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องนี้ต้องทำในวันที่เราไปปฏิบัติธรรม ถ้าเราอยู่บ้านหรือต้องไปทํางานนี้การเจระจะิญสติเพื่อควบคุมความคิดนี้มันเป็นไปได้ยากถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราจะต้องเจอเหตุการณ์เจอกับบุคคลต่างๆเจอกับการงานต่างๆที่เราจะต้องใช้ความคิดกันแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ถ้าเราอยากจะเจริญสติเพื่อหยุดคิดเราต้องรอเวลาที่เรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทํางานเราไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่สงบสงัดวิเวกแล้วมีหน้าที่เดียวเท่านั้นการไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อเจริญสติเพรอนั่งสมาธินี่ลืมตาขึ้นมาก็จเจริญพุทโธพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงอะไรไปพอไม่คิดอะไรใจก็จะว่างใจก็จะเบ า, ใ จ, จเบาใจก็จะเย็นถึงแม้ยังไม่สงบแต่ก็ทำให้ใจมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วพอเวลามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาได้ ถ้าใจไม่ถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวใจก็ไม่ต้องทำาใจก็ไม่ต้องทางานถ้ายังมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ใจก็แสดงว่าใจเป็นผู้ต้องทำงานเพราะใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองแต่พอมานั่งเฉยๆใจก็ไม่ต้องทำงานใจก็สามารถรู้เฉยๆได้รู้กับอารมณ์กรรมฐานคือพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวได้ถ้าใจไม่ทำอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆ เหนืใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมขั้นต่างๆได้อันนี้คือการเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทพหรือความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาของมนุษย์เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงฌานก็มีสองระดับระดับรูประฌานและระดับอรูปประฌาน ต่างกันก็คือความสงบความละเอียดความสุขมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่ก็เป็นความสุขแบบเดียวกันนี่คือการยกระดับจิตให้ขึ้นไปสู่ใกล้พระนิพพานขึ้นอพอเราเข้าสู่สวรรค์ทันพรมแล้วเราก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นภระริยบุคคลต่อได้ด้วยการเจริญปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วก็ เอาปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบมาสอนเราว่า<ม>ความไม่สง บ, บของใจความวุ่นวายของใจ<ม>ความไม่มีความสุขของใจนี้เกิดจากการหาความอยากอย่างในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากอย่างในลาบยศสารเสริญ<ม>ต้องละความอยากเหล่านี้ให้ได้<ม>ถ้าละได้แล้วมันจะทำให้ใจบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้<ม>ละราบยศ รูปเสียงกลินรดได้นี้ก็จะได้สาขั้นแรกของพระรีบบุคคลคือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่ใจอยากได้ผ่านทางร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงและเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงก็คือร่างกายร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงก็แก่เจ็บตาย ต้องกิดแก่เจ็บตายถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะละความอยากการเสพการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เสพร่างกายของคนอื่นได้ถ้าเห็นว่าร่างกายของคนอื่นไม่สวยงามเป็นอาการ32เป็นซากศพต้องพิจารณาแบบนี้ด้วยปัญญาจะถึงจะละความอยากที่มาสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบให้กับใจ เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวใจก็จะฟุ้งขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าปล่อยให้ใจพิดไปทางความอยากต่างๆต้องใช้ปัญญาคือไตรลักษณ์อริยสัจ ส, สี่ราสอนใจให้เห็นว่าการเสพกามนี้มันเป็นของชั่วกราวพอเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้ใจทุกข์ได้แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการเสพกามก็เป็นของชั่วกราวคือร่างกาย ร่างกายเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าไปยึดติดกับร่างกายก็จะทุกข์เวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาไปก็จะสามารถบรรลุสามขั้นแรกได้คือขั้นพระโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีด้วยการละร่างกายละเวทนาที่เกิดขึ้นจากทางร่างกายได้หมดมแล้วก็ละส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ความอยากที่ยังมีความอยากที่เกี่ยวกับจิตใจความอยากที่อยากจะให้จิตใจสงบให้อยู่มันอยู่ในสมาธิไปตลอดแต่สมาธิก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกมาจากสมาธิความสุขจากสมาธิก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้จิตสงบมันก็กลับขึ้นม า, มาใหม่ถ้าไม่อยากให้ใจ วุ่นวายเราก็ต้องละความอยากให้ใจสงบเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องปล่อยให้ใจมันเป็นไปตามตามสภาพของมันมันเป็นอ น, นิจจังมันของไม่เที่ยงมีสงบบ้างมีไม่สงบบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบแต่ถ้าใจเราไม่มีความอยากให้มันสงบเราก็จะไม่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาพอเราปล่อยหยุดความอยากได้ใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะเฉย กับให้กับความแปรปรวนของใจของอารมณ์ต่างๆได้อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายคือต้องปล่อยวางจิตขั้นแรกก็ต้องปล่อยวางร่างกายกับปล่อยวางเมตนาอพอผ่านเมตนาผ่านร่างกายไปได้ก็มาปล่อยวางจิตต่อไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นไตายรักษณ์ไปหมดจิตก็เป็นตายรักษเมตนาก็เป็นตายรักกายก็เป็นไตายรักษพอเห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อย พอปล่อยความอยากก็จะหายไปความอยากก็จะหายไปหมดพอความอยากหายไปหมดใจก็กลายเป็นพันิพานขึ้นมาพานิพานคือใจที่ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆได้รับการกำจัดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีนแปดฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาก็จะทาให้ความอยากต่าง ๆ, ๆนี้ หายสาบสุนไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เดกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกข์ก็จะหมดสิ้นไปกับผู้ที่ไม่เกิดนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์และมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่พบพบกับพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยบารมีเก่าของเรา ถ้าไม่มีบา ร, รมีก็จะไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อันนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องรอไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่เหลือหนงเหลืออยู่แล้วก็ต้องไปรอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอาจจะไม่ต้องเจอตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้ แต่ขอให้ได้เจอตัวแทนคือพระพธคือพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็สามารถสอนให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องพยายามหมั่นบำเพ็ญบารมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะบารมีจะเบ่งบานพร้อมที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะก็จะตัดสิ้เป็นพระพุทธเจ้าเองขึ้นมานี่ก็มีสองวิธีเท่านั้นที่จะยุติการมาเกิดได้ คือการมาเกิดในยุค ข, ของที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ก็อาศัยคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรายุติการเกิดได้ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยบาลมีทั้งศิษฐ์ที่ได้สะสมมาแต่ละภพแต่ละชาติเราให้มันเบ่งบาลพร้อมเหมือนกับบัวที่โผล่เหนือน้ําพร้อมที่จะเบิกบานขึ้นมาได้ทันทีเมื่อได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์นอันนี้ก็ต้องถ้ายังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยังไม่มี ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้อง บ, บ, บําเพ็ญต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าบา ร, รมียังไม่พร้อมแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเป็นเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะบา ร, รมีพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําให้เจ้าชายสิทธัตถานี้เห็นทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายได้เห็นวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องไปเป็นนักบวชก็สละสมบัติแล้วก็ไปบวชแล้วก็ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าตามลําดับต่อไป อันนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ของการมาเกิดว่ามีอะไรบ้างก็มีเพียงประโยชน์เดียวเท่านั้นคือการมาหยุดการเกิดเพราะการเกิดนี้เป็นทุกข์การหยุดการเกิดก็คือเป็นการดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองเพราะว่าทุกข์เยี่ยมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปูราปริโพเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานัง e อุปกะปติยิช e ิตังปะทิตังตุมหังกิพเมวะสมิชตุสัเพปโเรนตุสังกะปาจันโทปนาละโสยะถามณิโชติ ภราสุยะทาสภีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทานศีริสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเิอายุวันโสุขัง าาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไร อ, อยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมาณาุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามรอยสิหนึ่ง YouTube ดร V 5ห้าสิบวิทยุออนไลน์สิบห้าคลับเฮาส์สองนากุตหนึ่งร้อยสี่สิบรวมทั้งหมดแปดร้อยสามสิบสองท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากูตค่ะ ข้อที่หนึ่งจิต ท, ที่กลับมาเกิดในมนุษย์ไม่สามารถเลือกที่เกิดได้ใช่หรือไม่ดังนั้นคนที่มียศสูงบรรดาศักิ์ย่อมเป็นจิต ท, ที่มีบุญใช่หรือไม่คะไม่ได้อยู่ที่ยศอยู่ที่บุญมากบุญน้อยหรือที่ทําความดีมากทําความดีน้อยอมียศสูงแต่ไม่ทําความดีทําแต่บาสนี่ก็จะไม่ไม่ถือว่าเป็นคนมีบุญมากกับมีบาปมาก บาบุญอยู่ที่การกระทาไม่ได้อยู่ที่ยศอยู่ที่ตำแหน่งมไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ว<ม>ัยไม่ได้อยู่ที่สกุลเม่เกิดในสกุลใด<ม>อยู่ที่การกระทาของตนทำบุญก็จะเป็นคนสูง<ม>คนมีบุญทำบาปก็จะเป็นคนต่าคนมีบาปมีกรรมคำถามข้อที่สาม เออ ผ, ผู้ถามอ่านไม่เข้าใจนะคะรบกวนเขียนมาใหม่ค่ะข้อที่สี่การทําความดีกับผู้ยากไร้ทุกวันเราก็มีความสุขแต่ใจคิดว่าเป็นกรรมของจิตเราหรือไม่คะขอบคุณค่ะเป็นบุญไม่ใช่เป็นกรรมการทําความดีไม่ว่าจะทํากับใครก็ได้บุญทั้งนั้นนี่คําถามจะพูดแล้ฟังนะกุดค่ะ <c oughs> ขอเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะการเจริญสติและ น, นั่งสมาธิเจ้าค่ะลูกเจริญสติบริกรรมพุทโธช่วงที่ว่างจากการทํากิจการงานและฝึกนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธอยากสอบถามว่าขณะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธเราต้องกําหนดพุทโธไว้ที่ไหนคะบางทีเหมือนมันลอยไปมาบางทีสติจับกับพุทโธบางทีก็ไม่จับกับพุทโธค่ะ ก็ให้อยู่กับพุทธโธไปมันจะลอยไปไหนมันจะขึ้นสูงลงต่ําก็ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่าให้พุทธโธหายไปก็แล้วกันคำถามจากทาง y o u ูทูบค่ะใส่บาต ท, ที่หน้าบ้านทุกวันแต่วันพ้าไม่ค่อยได้ไปวัดจะได้บุญเหมือนไปวัดไหมคะใส่บาต ท, ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันที่ไปวัดมันได้บุญยังเอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ไปวัดก็อาจจะไปสมาทานศีลอยู่วัดนอนฟะนอนนอนปฏิบัติธรรมที่วัดก็ได้ได้สติได้ปัญญาได้สมาธิเพิ่มด้วยคำถามจากทางเฟซบุก ค, ค่ะ <c oughs> ครับผมปฏิบัติในขณะนี้สามารถแยกรูปนามได้เห็นกายนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งไม่มีชื่อเรียกแต่ยังรู้สึกว่าจิตนี้เป็นเราอยู่ครับสอบถามหน้าแก้และปฏิบัติต่อไปครับคือการการเห็นต่างๆ่เหล่านี้ยังเป็นการทำการบ้านอยู่ยังไม่ได้เห็นจริงไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่า จะเห็นจริงต้องเจอตอนที่เจอเจอปัญหาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมาดูซิว่าเรากับร่างกายนี้ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่หรือเปล่าถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังเป็นตัวเดียวกันอยู่ถ้าไม่ทุกข์แยกกันได้ว่าใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันใจไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้อันนี้ก็ถึงก็จะเห็นจริง ต, ตอนนี้ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์มากระเทือนใจนี่มันยังไม่เห็นจริงต้องรอให้มีการกระทบกระเทือนใจก่อนแล้วดูว่าเรายึดหรือไม่ยึดเราปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราปล่อยไม่ยึดแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังยึดยังไม่ปล่อยเพราะเราพยายามปล่อยให้ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ เพื่อนผมเลี้ยงกุ้งขายโดยคิดว่าตนเลี้ยงดูแลเพื่อให้เจริญเติบโตให้รอดตายให้มากที่สุดดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ถึงวันหนึ่งก็ต้องขายออกไปกิจกรรมการงานแบบนี้เป็นบุญหรือบาปอย่างไรบ้างครับถ้าเราไม่ได้ไปฆ่ามันก็ยังไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ควรจะทําเพราะว่าจะส่งเสริมให้คนอื่นเขาได้เอาไปฆ่าอย่างนี้ ถ้าทำถ้าเลี้ยงเขาเล่าไปปล่อยเขานี่ก็จะได้บุญถ้าเลี้ยงเล่าไปขายให้คนอื่นเข้าไปฆ่าอย่างนี้ก็จะได้ก็จะไม่ได้บุญแต่ยังไม่ได้บาปถ้าเราไม่ได้ทําเองถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขาเองฉะนั้นอย่าทำอาชีพตานนี้เพราะมันเป็นอาชีพที่จะช่วยส่งเสริมการฆ่ากันไม่เป็นสามาชีพสามาชีพคืออาชีพที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้ เช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรทำนองนี้ไม่ได้ไปทําความเสียหายให้กับใครไม่ได้ทําร้ายชีวิตใครทําคุณทําประโยชน์เป็นอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีพอาชีพที่ดีอาชีพที่ไม่ดีก็คือค่าเป็ดค่าไก่ฆ่าวัวค่าควายเลี้ย ง, งเป็ดเลี้งยงไก่แล้วส่งไปให้เขาฆ่าอีกทีนี้เป็นอาชีพที่ไม่ดี แต่ถ้ายังถ้ายังไม่ได้ฆ่าก็ยังไม่บาปแต่ถ้าเลี้ยงด้วยแล้วก็ฆ่าด้วยก็ก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ดีแล้วก็เป็นบาปด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวกำลังกำลังเขียนเงนเข้ามาอยู่มั้งวันนี้เสียงดังฟังชันไหม ฟ, ฟังชันนะโอเค ใครมีคําถามอะไรก็อยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะอะถ้าไม่มีคําถามแสดงว่ารู้แล้วบรรลุแล้วถามว่าตอนนี้กิเลสทันหมดหรือยังถ้าอยากจะรู้ว่าบรรลุหรือยังไม่บรรลุก็ดูว่าดูที่ตัวกิเลสก็แล้วกันถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่บรรลุ ถ้าไม่มีกิเลสแล้วเฉยไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมใครจะดา่าก็เฉยเฉยไปอันนี้ก็บรรลุแล้วคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะเรียนถามค่ะบางคนไม่ได้สัพปิ์ บางคนไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแต่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักถึงขั้นผ่าตัดบายพาสหัวใจแต่เขามีกำลังใจที่ดีจิตใจสงบเบิกบานดู ป, ปล่อยวางได้แบบนี้คือเขามีธรรมอยู่แล้วหรือเปล่าครับถูกต้องเขามีปัญญาเขาแยกใจออกจากกล้งกายได้เขาถือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้ไม่ตื่นเต้นตกใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าเฉ ย, ย, เฉยใจแล้วจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเพราะว่าภพชาติของเราไม่ใช่มีแต่ภพนี้ภพเดียวชาติกันก่อนแล้วอาจจะเคยได้บวชมาบ้างก็มีอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆได้ปฏิบัติธรรมมาอยู่แล้วมันก็ฝังอยู่ในใจของเราเวลาเรามา เ, าเกิดใหม่นี้เราเอาติดตัวมาได้สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันติดตัวกับเรามา ไม่ ว, ว่าจะเป็นการทำบุญทาทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการฝึกสตินั่งสมาธิก็ดีการคิดด้วยปัญญาก็ดีมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปกับเราได้แต่เงินทองนี่เร า, เาไปไม่ได้ยศตำแหน่งต่างๆเราไปไม่ได้เหรียญทองกี่เหรียญก็เอาไปไม่ได้ดันั้นพระพุทธเจ้จึงสอนว่าให้เรามาเอาทำในสิ่งที่เร า, เาไปได้ดีกว่าก็คือบารมีต่างๆนี่ ถ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆก็จะได้ปัญญาบาราีติดตัวไปคิดไปในทางธรรมคิดไปด้วยเหตุด้วยผลคิดในทางอริยาาสัจสีคิดในทางไตรลักษณ์คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะสิ่งที่หลวงตา ม, มหาบุรษสอนแลพระอาจารย์สุชาตินำมาใช้ในตอนปฏิบัติคืออะไรคะก็คือการดับความทุกข์ต่างๆ ในใจมีความทุกข์ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากกิเลสตัวไหนเกิดจากความโลภหรือเกิดจากความโกรธหรือเกิดจากความหลงแล้วก็ให้เอาปัญญามากําจัดมันพอเราดับความโลภความโกรธความหลงในใจได้ความทุกข์ก็หายไปไม่ต้องไปแก้คนนั้นคนนี้ความทุกข์เราไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้การกระทําของคนนั้นคนนี้เป็นเพียงแต่มามาจุด ชนวนให้เกิดความทุกข์ในใจของเรามันกระตุ้นกิเลสที่มีในใจมาสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วต่อให้เขาเต้นแรงเต้นกลางอย่างไงมันก็ไม่สามารถมากระตุ้นให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เห็นท่านสอนให้เราดูที่ใจให้มีสติดึงใจกับดึงใจกับเข้ามาอย่าไปดูที่นูน่นที่นี่ให้ดูที่ใจเราเวลาทุกข์เกิดไม่เกิดที่ใจเรา เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสมันก็อยู่ในใจของเราธรรมะที่จะใช้ดับความทุกข์ใจก็อยู่ในใจของเราคือสติปัญญาถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะรู้ทันทันทีเพราะตอนนี้กำลังโลภ ก, กรลังโกรธหรือกำลังหลงเราก็จะรู้วิธีกำจัดมันคำถามจากทางยู u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ความรู้ทางธรรมและการนั่งสมาธิแต่ยังไม่สามารถแยกกายแยกจิตจะติดตามเราไปชาติหน้าได้ไหมเจ้าคะก็ติดตามเท่าที่เราทำไปได้ไงถ้ายังแยากกายแยกจิตไม่ได้มันก็ไม่ไปถ้ายากได้แล้วมันก็ไปถ้ารู้อะไรแล้วมันก็จะไปกับเรารู้อริยาาสัจสีมันก็จะไปกับเราคาถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ อยากทราบว่าการที่เราไม่เคยกลั่นแกล้งเพื่อนร่วม ง, งานแต่เราโดนหัวหน้างานกลั่นแกล้งเราต้องวางใจอย่างไรให้พ้นจากความทุกนี้คะชาตินี้อาจจะไม่ได้กลั่นแกล้งใครในชาติก่อนอาจจะกลั่นแกล้งใครเข้ามาก่อนก็ได้ผลขอ ง, งกรรมมันต้่งตามมาในชาตินี้เั็นก็ให้ถือว่าเป็นผลของกรรมไปกันแล้วกันไม่ว่าเราจะจําได้หรือไม่ได้ก็ให้คิดว่ามันเป็นผลของกรรมที่เราจะต้องรับใช้ ก็รับใช้ไปอย่างใจที่สงบก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้าไปอยากไม่ให้เกิดไม่ให้ไม่อยากจะรับใช้ใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแต่ไม่ว่าเราอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในภพนิชชานี้ก็ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราก็แล้วกันกรรมเป็นเหตุทําให้เรามารับผลคือวิบากต่างๆจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมมันใดไว้ ดีหรือเชื่อเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้น <S <S ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นโดยขเขาโดยคนเขาด่าก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถ้ามีใครเขาชมเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราก็แล้วกันคิดอย่างนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปแก้เขาเปลี่ยนที่ตัวเราดีกว่าอ่าถ้าบุญของเราทําให้เขาชมเราเราก็พยายามทำบุญไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆ <S <S ถ้า ถ้าการกระทําบาปของเราทําให้เขาด่าเราว่าเราแล้วก็หยุดการกระทําเหล่านั้นสียต่อไปเขาก็ไม่มีใครจะมาว่าเรามาด่าเราได้มาแก้ที่กรรมดีกว่าอย่าไปแก้ที่คนนั้นที่คนนี้อยไปขอร้อให้เขาพูดดีๆกับเราอย่าด่าเราเลยแต่ห้ามเขาไม่ได้หรอกใจของเขาแล้วแต่อารมณ์บางวันเขาใจดีเขาก็พูดดีวันที่เขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีไปมีอะไรไหม ค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอถามว่าปกติพิจรารณาอาสุภะปกติพิจรารณาอาสุภะปฏิกูลอยู่ตลอดและมักเห็นแต่สิ่งปฏิกูลรู้สึกไม่พอใจต้องปฏิบัติต่อไปใช่ไหมคะจนเฉยเฉยคือถ้าจิตยังไม่สงบพอมันก็ยังอยากจะเกิดความไม่พอใจ ก็อาจจะพักการปฏิบัติการพิจารณาไว้ก่อนแล้วมาทำทาสมาธิให้จิตนิ่งมากกว่านี้ก่อนถ้าจิตนิ่งมากๆแล้ ว, ลวเวลาพิจารณาจิตจะเฉยๆได้ mm. พิจารณาเพื่อให้เราจดจำไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเวลาที่เราเห็นอะไรที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะได้ใช้สิ่งที่เราพิจารณาดับมันได้ mm. แต่ถ้าเราไม่พิจารณาจนจำได้พอถึงเวลาจะนึกมันขึ้นมามันนึกไม่ออก เราต้องพยายามพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันจำได้สามารถนึกขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกับการท่องบทสูตรคูณ น, นี้เราต้องหัดท่องไปเรื่อยๆจนะทั่งมันฝังใจสองคูสองเป็ 4, นสี่สองคูสามเป็น6กพอเวลาที่เราจะต้องคูณเลขปั๊บคำตอบมันก็จะขึ้นมาทันทีเลย คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะไปซื้อปลาที่ตลาดก่อนซื้อดูตัวที่ตายและเพื่อให้แน่ใจเอาหนิ้วจิ้มที่ตัวปลามันก็ยังนิ่งเฉยอยู่จึงแน่ใจว่ามันตายแล้วซึ่งเอาตัวนั้นแม่ค้าจับปลามาทุบหัวแบบนี้บาปไหมคะถ้าตายแล้วก็ไม่บาปถ้ายังไม่ตายก็บาป เอาจจะอาจจะต้องเอาเครื่องวัดเครื่องวัดหัวใจดูยังต้นอยู่เป็นเหมือนหมอกระจายไว้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ควรเอก็ไม่ควรเอาที่มันแน่ใจดีกว่าเอาที่เขาชาระแล้วดีกว่าทางซุปโปรโมทบางทีเนื้อเขาชำละให้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วอันนี้น่ใจได้ว่าตายแน่ คำถามสักทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะควรเริ่มบอกให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความเห็นถูกในธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างไรดีคะอันนี้เราไปสอนพ่อสอนแม่ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านอยากจะรู้หรือไม่ถ้าท่านถามเราเราก็บอกได้แต่ถ้าท่านไม่ถามก็แสดงว่าบางทีท่านรู้อยู่แล้วจริงแต่ท่านยังทาไม่ได้ก็ได้นั้นเราไม่ควรที่จะไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านเกิดก่อนเราท่านรู้มากกว่าเรานอกจากท่านอยากจะขอความเห็นจากเราขอความรู้จากเราแล้วก็บอกท่านได้แต่ถ้าไม่ถามก็แสดงว่าท่านไม่ต้องการที่จะได้ยินจากเราเราก็อย่าไปพูดเป็นการเสียมารยาทผู้น้อยสอนผู้ใหญ่เนี่ถือว่าเป็นการอดอดดีอดเก่งมไม่ควรจะทําไม่มีแล้วใช่ไหมมีมีอีกคําถามนึงคะ่ะ คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิประมาณสองชั่วโมงรู้สึกปวดขามากเหมือนขาจะแตกจะหักฟังใน y o u t u ู e ครูบาอาจารย์นั่งจนเขานั่งจนเช้าในป่าช้าหรือในท่มที่มีเสือหรือมีงูเฝ้าอยู่ท่านนั่งขัดสมาธ์ทนปวดอย่างเดียวหรือขยับขยเรื่นได้บ้างครับไม่รู้เหมือนกนะันนต้องไปถามท่านดูมนไม่ได้ มันก็แล้วแต่บางทีก็ขยับบ้างบางทีก็ไม่ขยับแล้วแต่สติว่ามีกําลังสู้ไหวไหมถ้าสู้ไห ว, Donc, วก็ไม่ขยับบางทีจะสู้ไม่ไหวก็ต้องขยับบ้างการปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันทุกครั้งไปมีได้บ้างมไม่ได้บ้างมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเหมือนไปตกปลาเนะี่ยบางวันก็ได้ปลาบ้างบางวันก็ไม่ได้ปลาจนกว่าท่านจะบรรลุแล้วนี้ท่านก็จะสามารถที่จะไม่ขยับได้ มาแล้วแหะค่ะหมดแล้วตอนนี้ยังไม่อ้อมมีอีกหนึ่งค่ะ <laughs> คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเนื่องจากความเจ็บป่วยทำให้คิดถึงความตายบ่อยๆเช่นภาวนาตายตายตา ย, ตา ย, ตายเริ่มมีภาพลงมีภาพซากศพอยู่ข้างในให้เห็นยามจิตสงบเพียงแว บ, บเดียวอันนี้แสดงว่าเริ่มเจริญอสุภะใช่ไหมคะ คือเรื่องของความตายนี้ไม่ใช่อสุภาษะความตายคืออ น, นิจจังเห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นของชั่วคราวถ้าจะเห็นสุภาะนี้ต้องเห็นซากศพที่ไม่สวยงามขึ้นอื่นขึ้นพองขยะกขยงเห็นแล้วจะได้ไม่มีการอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับใครเป็นคนละเรื่องกันหมดแล้วนะหมดแล้วก็แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้